ขั้านาทุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายวันออกขั้นสาในวันนี้ขอโอกาสพิเศษไม่ปด้เทะตามธรรมเนียมเพราะว่าไม่มีแรงมขึนนมม้นมันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นเราเป็นโรคอะไรแต่ว่ามันไม่มีแรงเขาบอกพามอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแรงแม่จะทำจีว้อมตระลา่าบไม่ได้พย่อาม ม, มีแรงกระทูขี่ไผ่ทูไม่ออกเลยที่เหยียดอา น, น้ำมันเลยยุ่งเป็ใหญ่ไมไม่มีแรงนี่ก็มาขอโอกาสพูดแทนเทศเพิ่งกินแรงน้อยๆเขาเอาแต่ประโยชน์ก็แล้วกันการเทศเลยกลายเป็นการพูดในเทศนี้เรื่องที่เราเคยพูดกันในวันออกพรรษาก็มีสองเรื่องคือเรื่องภารณาเรื่องหนึ่งเรื่องออกพรรษาเรื่องหนึ่งมีสองเรื่องวันนี้มีสองเรื่องคือปภาวนาและออกพรรษา มีการพูดซ้อมความเข้ใจเหมือนกันว่าทุกปีทุกปีในสองเรื่องนี้ในวันนี้ก็ลีดในป้อนี้มือนก็ต้องพูดสองเรื่องนี้ปวารณามีประพท ธ, ธานอนุ ญ, ญาตให้ทําปวารณาแทนปาริโมกสมาพิสุที่นี่เป็นอยากจะพูดเลยไปถึงแม้ชาวบ้านที่ไม่จะพิกสุก็ควรจะรู้เรื่องปวารณาและทําปวารณาด้วยเหมือนกันไม่ใช่อุตรีนอกพิษนอกรอยอะไรไม่ใช่แต่ความหมายแล้วก็โยช แต่่านรู้ว่าปรวารณาคืออย่างไรก็คงจะพอใจว่าห้ามนั่นปรวาณาคํานี้ัแปลว่าห้ามคําพูดคานี้แปลว่าห้ามแต่คำหมายมันสลับซับซ้อน <c oughs> มันเป็นการห้ามตัวเองไม่ให้เถียงไม่ให้บิดริวไม่ให้แก้ทุกข์ให้เมื่อมีผู้ว่ากล่าวเล่นมันห้ามอย่างนันอัมปวาณาออกไปแล้วเป็นการห้ามไม่ให้โตเถียงไม่ให้บิดริวไม่ให้ต่อสู้ไม่ให้ในการตี มีผู้อ่าว่ากล่าวตัดเตือนโดยธรรมนี่ม่นกล่าวโดยวินัยก็เป็นวินัยกล่าวโดยธรรมะก็เป็นธรรมโดยวินัยก็เพื่อความอยู่กันเป็นท้าสุกว่ากล่าวตัดตือนซึ่กันและกันได้ไม่อยู่อย่างเสมอการจะตัดเตือนกันไม่ได้การทําอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทุกข์ทุกขโสมาณสังวาสโอยู่เสมอกันเป็นทุกข์นี่ว่ากล่าวตัดตือนกันได้ง่ว่าจะมีอายุมากกว่าแลว่ากล่าวตัดตือนกันได้ตัดตือนึ่กันและกันได้ผู้อ่อนตัดเตือนผู้แก่ก็ได้ผู้แก่ตัดเตือนผู้อ่อนก็ได้ขณะชาววันนั่ การตะเกียรแล้วคงมืเทียนก็เรือร้อยก็แก้ไขให้การอยู่กันเดร้อยเพราว่าเราตะเกียร์ตึงกันเยกันได้เนี่ยที่สร้างเองเนี่ที่สั่งไงอันอันนี้มันเป็นเนนะอันนี้กรทชาบเปนเนินนะเาะเกียตกันเลยกันได้แล้กันกันให้ออกปย่หาอาบัตได้ที่วางสร้างวัฒนรรบริษัทบริษัทสองกระทูวงมีประสการเจริญด้วยอาการอย่างนี้ที่ส่วนทีมากก็คือว่าถ้าเราตะเร์ตึงนกันได้มันอยู่กันอย่างร่าคาอย่างปืนแล้วก็ทาให้ สังคมสงนมีความเจริญเจริญเจริญถ้ายังว่าเราตกื้อันได้อยู่เพียงไรยังกันอะไรกันออกอาบัอากอาบได้อยู่เพียงไรต้องทำความเจริญเจริญกระาวัรเอาีนี้ไปใช่ก็คือว่าเราเกือึกันกันได้ในครอบครัวในหมู่บ้านในตำบลใรับอยู่ด้วยกันชนิดที่ว่าเราตะเกื right wars, <ๆ S 2> ้น <surg> ั at นได้มันก็สนุบราวกัเแย่ไรอบไปหมดห้ามไม่ให้เทียงไม่ให้คับค้าไม่ให้โตยันไม่ให้ติดเชื้อมามีผู้อื่นว่าเราตัเืเลย นะครันี่เป็นคุณสมบัติพิเศษของพุทธบริษัทเราหรือของพระสมฆ์ทางพุทธเจ้าในการจัดไว้อย่างนี้่ะมันมีความหมายมากเลยนะคือมันเป็นระเบียบของผู้ดีไม่ใช่ผู้คล้ายผู้คลไม่ทราบว่าชอบปัดเสธโดยที่เขาไม่ได้เปิดโอกาสไว้เขาไม่ได้ให้โอกาสไว้เดี๋ยวนี้มันมีระเบียบไว้ให้ให้โอกาสไว้แล้วก็ว่าการตะเกินได้ต้องไมผิดระเบียบอินไลมันเป็นอาการที่สุภาพขอ ง, ขอ ง, ของสุภาพบุรุษหรือเป็นผู้ดีนี้าเราจะไม่ว่าเราตะเกินใครถ้าเราจะทําในสิ่งที่ควรทำก็ตก้องขออนุญาต ก, ก, ก่อน สจะโอาบัตดในทางลางสมควขออนุญาตความอให้โจทย์งจงตจทได้ทำใหอนุญาตกระโจทย์ไม่ได้มันมนดได้นียน่ยแล้ว น, นี่เป็นระเบียบของผู้ดีไม่ใช่ผู้ไร้ซึ่งยาใครไม่มีหลักเกณอะไรต้องถือเอาระเบียบประวานานีไปชาชนที่ตัวไคไม่ว่ากล่าวตะเกือกันเลยกันได้บุตญาตราีลูกเด็กเล็กๆอะไรก็ให้อยู่ในขนะที่ว่ากล่าวตะเกือนกันเลยกันได้ไม่ต้องใช้อำนาจเมื่ออยู่กันเป็นาสุโดยธรรมะโดยวินัยโดยวินัยโดยธรรมวินัยเนี่ยอยู่เป็นาสุ การะาวนามีความหมายมากีนว่ากล่าวตัดเตือนกันไม่ได้ก็มีคนอันตรพาดเลยก็แยกหมดดูนี่ครัดแต่มันก็ช่วยไม่ได้นั้นก็เป็นเรื่องที่มตัดเนกันไม่ได้ที่นี้ขอเกิตัดเือนกันได้ก็ขอให้ว um hey, like? like ่ากาตัดเกือนกันได้ภายในครอบครัวนีงก็เป็นจะตัดเตืนกันได้เถี่ผู้ตัดเือนก็มีมันยาในการที่ว่าก่าตัดเกนคือว่ากล่าจตัเตือนโดยความรักโดยความหวังดีน่ก็ไม่มีความน่าผิ็น่าชังอะไรต้องทไปในเจตนารีถูกตัดเกือนแล้วก็พิจารณาไม่โกรมันก็จะเตือนถูกต้อง แก้ไขเส้ยแก้ไขความไม่ถูกต้องนั้นเสียถ้าเขาตัดเตือนโดยไม่ถูกต้องฮะก็ให้ไฟก็เถิดถ้าเขาดูไม่ดีก็ไม่มีสติปัญญาพอแต่เขาพยทํามไปความวังดีเขาก็ไม่ต้องตรวจดวยเหมือนกันการตัดเตือนที่แกล้งที่นี่นะไม่ใช่ตัดเตืนอนนะมันเป็นการหาเรื่อเหมือนกันด่าโดยอ้อก็ไม่รู้ม ไ, ไ, มไม่ชี้อะไรกันนี่เรื่องนี่เรื่องประวัตินาในวันนี้ภิกจุะไปทําแล้วก็ให้ถือปฏิบัติคือว่าเรตัดเตือนเป็นการการกันได้มันก็มี ที่จะต้องตัเตือนเราไม่น่าที่จะต้องยอมรับยอมทำผูน้นีกกน่ก็ดีตัเตือนกันให้ถูกคณะกรรประเภทนี้เีาอย่บแปไปตักเตือนผู้น้อยอย่างไรตัดเตือนผู้ใหญ่อย่างไรเราจะสามารถเรีนเราก็ควรจะตัดเตือนพิสูได้เด็กวัดก็ยังควรจะตัดเตือนพิสูจได้นี่อ่นอกนังนหรอกนั่นหอกเพระาของพิสูนใใจความสาคัญมันมันเป็นถึงอย่างนั้นได้โดยธรรมะเป็นอย่างนั้นได้ให้ษการสั้งเตมันดีได้โดยไม่ขาดก่อนนะ ให้ว่ากล่าวตะเตกินจนกำลงกันด้วยความวางดีด้วยความรักเป็นการช่วยกันทําให้หมูนะ่คณะนี้บริสุทธิ์สะอาดไม่มีสิ่งตึเงเงอนกิดที่เกิดคนอยู่นั่นแหละคือความเจริญจเจริญอดาการอย่างนี้ทีนี้เรียกว่าเรื่องประวรัตินาเขาให้ปฏิบัติอย่างสุภาพบุรุษป็นการเล่าในลูกหลานนะเขาตะเกินแล้วก็ไม่โกรธขอบขอขอบบใจด้วยช่วยตะเกินด้วยความวางดีทีนี้ก่มาถึงเรื่องที่สองเรื่องออกพรรษา ข้อแรกก็คือภาคภูมิใจว่าเราได้จำพันรรษากันมาด้วยดีจนตลอดพัรษาจำพัรรษาเสร็จไปแล้วภาคภูมิใจว่าได้ทำสิ่งที่คุณทำเสร็จไปแล้วคือการจำพันรรษาจำพัรรษามาด้วยดีโดยเฉพาะอย่างนี้ก็พอใจตัวเองก็ภาคภูมิใจที่ทำสิ่งที่คุณทำแล้วถูกทำทำทำถูกทำทำทำทำวินัยในการถวายปฏิบัติบูชาแด่พระพุทธเจ้าไม่มีอะไรผิดพลาดบกคร่องก็เป็นเฉพาคภูมิใจออกพรรษาอันนี้ก็มีความหมาย ่อยากให้มันเป็นธรรมะที่ลึกที่ลึกไปก่อนนั้นนะคือว่าออกมาเสียจากสิงส่งผูกพันนะสิ่งผูกพันมันทาให้เป็นทุกข์อะไรอะไรที่เป็นการผูกพันให้เป็นทุกข์แล้วออกมาเสียเกิดนี่ออกกัญชาดิไมเช อ, ออกกัญชารู้ผลนะ <S <S สิง่งที่ทำให้ทอย่างมนมาากการผูกพันมันก็ออกมดผูกพันโดยธรรมะต้อทำกัาออกอเสร็จแล้วออกแล้วผูกพันโดยธรมะการนีปราเนี้มาทําก็ทำก็ทาเสร็จแล้วนี่เป็นออกตาม ความหมายมตรงไปตรงมาที่นีก็อยากเจริกไปกว่านั้นยังมีประโยชน์ก่อนั้นมันจะออกจากอะไรกันได้บ้างก็อด้คกรเราคงจะได้มออกจากความทุกข์ออกจากทุกข์ม่อมีทุกข์ก็ออกจากทุกข์ออกมาจะได้จากทุกข์นี่วัยสลาดปฏิบัติปณิี่ความทุกข์เกิดไม่ได้ใีความสุกขเกิดในกัตการนี่มันมันยุ่งยากลำบากมันเลยเอะเหมือนกับว่าเอาไม้ตั้งในังคีโบราณพูดมันเลอเอะยความทุกข์เกิดนี่เป็นไปดับไปแก้ยังไปเลอเอะจะทาให้แน่เปนยัก่อนนัน คือไม่ให้มันเกิดมาได้มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลายืนยันว่าอานาปานสติช่วยได้มีอานาปานสติสมบูรณ์แล้วป้องกันไม่ความทุกข์เกิดออกมาจากความทุกข์ด้วยการผูกพันที่มันจะให้เป็นทุกข์แม้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็าังทำด้วยสติสัมปชัญญะที่ได้มาจากอานาปานสติอีกก็ได้มันจะไม่มีลักษณะเป็นตัวไม้สั้นเป็นรคีมันจะใช้ไม้ยาวหรือให้วิธีที่มันไม่เลื่อนออกมาจากความทุกข์ที่เกิดทุกจนหมุนมองดยเหตุใดใที่มีนอยู่เป็นประจาเลย เหล่านั้นี่เรียกว่าเป็นความมุ่งมั่นใหญ่ของคนเราะะนความทุกมันมีหลายอย่างทุกทางกายไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะใช้มีความเจ็บป่วยมีบวามวุ่นวายลำบากนั่นจะเป็นทุกทางกาก็ทําหลุดไปควมบัตรมันออกจะได้ทุกทางใกา้คือมีความยึดมัน่นถือมั่นถึงใดสิ่งใดแล้วม่ น, ในต้องเป็นทุกประสิทธิ์นั่นก็เลยยึดมั่นถือมั่นเสียก็ออกจากทุรูปต่อไปก็อยากจะพูดว่าออกจากริเลิ่ดหรือสังโยชน์สังโยชที่มันถูกพันอยู่ในสันดาน คนเรามีสังโยชน์หรือสังโยชน์อะเรียกแล้วก็จะเรียกมันเป็นสิ่งผูกพันอย่างสังโยชน์สิประการสะจจะพิเภสังโยชน์ที่จิตช้าสังโยชน์ที่ลพตะปรามาสสังโยชน์การมาราภสังโยชน์ปฏิฆสังโยชน์ซึ่งคงจะเรียนแล้วนะจากนั่นคือสาหรับพุทธมารินนักธรรมข้อนี้มันเป็นความภูกพันที่ละเอียดที่ลึกซึ้งเขาเรียกภูกพันธอย่างไม่เห็นเงินผูกพันไม่เห็นปมผูกผูกพันธุ์ยังไม่มีเงินเลยเห็นแล้วแกงง่ายๆมันลึกต้องศึกษา ควาสำคัญเรื่องตัวตนของ ต, น, ตนอย่างหยาบๆอย่างงูกเลา้ามีดบัดเิี้วเป็นมีดบาดปูนี่ภัยพิิมันมากขนาดนี้มันไม่คจะมีตัวปูแต่มันต้องมีตัวปูก็มันไม่รู้ดิคนเด็ ก, ดกๆตอนมาจากเข้าง่นยเขามีสิ่งแวดลอ้อมทางตาทางหูทางกมูกทางทินทางกายทาง ใ, ใจให้เกิดความินดียินร้ายพอเกิดความยินดีมันก็เกิดความกปูยินดีเกิดความร้ายก็รู้สึกเหมือนปูินรยังก็ไปเกิดเกิดทัานที่มาติดมาจากเข้าง่าย้ามันร้านไม่มีสิ่งนี้มันไม่มี มันจะมอมันคงินที่หลัง้วไปยึดเอาเป็นอรอย่างนั้กายยัติสิการนี้ของปูวิจิปิชาไม่รู้อะไรควรจะเป็นอย่างไรจีน่นอนตลอดชีวิตไม่แน่ใจให้คุณได้ทำอย่างไรสีรับประดับประรามาสที่วาสีรถผิดความมุ่งหมายแท้จริงมุ่งหมายเบาๆป็นของกวาสติและกางนั้นผิดเหตุผลผิดขอเท็จแท็จริงขความจริงของไอสิมิลันนี่เรียกว่ามันหล่นไมากๆเลกามาราคะปุพเันจิตใจก็มีสติปัญญาทีบรรเทาที่ลด อย่างมันไม่อย่างมันเผาอย่างมันมืดอย่างมันบอดธรรมดามันก็เว้นไม่ได้แต่ยังเป็นบุตุชนนธรรมดาเรื่องมะเร่กลานี่แต่มันดูในลักษณะที่ไม่แผ่เขาเกินไปมีตามปกติธรรมดาอยู่ในกรอบวินในในกรอบใเกล็ดในซีนในระเบียบเนี่ยก็ได้มันเป็นเมือนสำัเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มันต้องกินแต่คนยังมันยังเป็นบุตนอยู่มัต้องกินอาหารชีวิตนี้ต้องาจากอาหารธรรมดาแล้วเกิดความขี้คาิวอยางแรงกินแล้วก็หายไป ความเป็นเพียงนนั้นยังกลาเป็นเรียนหลงพี่หน่้เราจนังกระาดเดือดร้อนฆ่ากันตายด้วยอะไรเป็นตนน้อง้มันมากนักเลยนี่อยู่ในความควบคุมที่พอดีก็ไม่ไม่เลวร้ายอะไรน่ะคือเป็นธรรมดาของผูถุชนอยากให้มันผูกพันเป็นกันตองฆ่ากันตายติดคูติดตรางก็เรืนอปฏิฆะความขัดใจความโกรธมันมีมึงมีปู้บนเทาควาเป็นมึงเป็นคู้แค่แล้ความโกรธ ในคูกันของสังโยชเนี่ยก็ขอขให้ออกมาเสียได้มากกว่าปีแล้มาในพรรษาเรากรพฤษฤษ็พิสูจนต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้แล้ว ก, ก็ชนะพอสมควรออกพรราแล้วก็เรียกว่าออกมาได้มากไม่ได้หมดทีนี้ก็มีการออกมาเสียจากอำนาจของอวิชชาความมืด อ, อวิชชาแต่ว่าไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไร เ, เลยเป็นไปไม่ได้นะ ไม่จแนกสุนทรภู่นรู้อะไรตามเรื่องของจิตจอม่รู้อะไรสเลยเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันไม่รู้สิ่งที่ควรรู้สิ่งที่บ่าวิชาวิชาวิชาคือสิ่งที่ควรรู้แล้วมันก็ไม่มีสิ่งที่ควรรู้มันเลยลำบากไม่มีอะไรที่จมาเป็นเครื่องแก้ไขปัญหาหรือว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นรู้ไม่รู้สัเลยเราออกมาจากข้อของอวิชชาของจํากัดมากเป็นไปไม่ยังไม่ได้ไม่หมดเรเรียกว่าเป็นอิสระกันหอทงคุณอย่าอยู่ทาำรางข้ออันมืดนั้นเม่นอันสกปบกอันทุกเทอมัน ในข้อของอวิชชาไม่รู้ว่าเป็นอวิชชาหรือยิ้มส น, นุกพิเศษอินี่ยอวิชชาก็ออกมาออกมาเสีจากอาวิชชา <c oughs> ที่นี้ก็ออกมาเสียจากพาระหนักแชมเปญโง่ของไปดถือนั่นนี่เป็นตัวตนเป็นของตนที่ยึดเป็นหลักเกณฑ์ตลอดไฟก็คือขันทั้งห้าที่เราสวดบทวดมันอยู่ทุกวันว่าพารฮาฮเวบัรจักขัน้นท้ายขันทั้งห้าเป็นภาระหนักเลอร์ที่นี่ไ่รู้ขันที่ที่ไหนไม่กลับนักที่ไรู้แบกอะไร มันออกมาไม่ได้จากความผูกพันของสารล่างหนักเราจะเอาเนื้อนั้นร่างกายว่าเป็นตัวต้นก็เป็นหนักมีบัตรนี่ก็มีบัตรกูนี่เป็นตัวต้นเป็นควาต้นดึงอะไรนี่หรือว่าเวทนามันรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็มันก็เข้าใจว่ากูเป็นผู้เวทนาเป็นผู้มีเวทนาเป็นผู้ทำเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นก็เป็นของกู มีปัญหาหทุกประเภบากกังทุกระนทุกประเนะโอ้ไมู่อะไรเลยนี่เยว่าอเวชนาเป็นภาระหนักบางทีเอาสัญญาแหความหมายมั่นสัญญาที่คนได้ยินกันแต่ว่าความจำความจัะมันไม่ไม่ไม่่ท้มันเลยเป็นความหมายมันจกือหมายมันชนิดหนึ่งอาศความจได้ว่าอะไรแล้วก็หมายมันลงไปว่าอันนั้นอันนั้นอันัย่างนั้นก็เใจว่ากูคู้หมายมันไหมายมันก็เป็นกองกู เราัดไปก็สังขารขันน่ะความคิดความคิดหลังจากมีความหมายมันแล้วมันก็คิดมันคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดอย่างนั้นคิดเป็นลาเป็นลบได้ไรมันก็หมายมันก็กู้คิดรูคิดคิดเป็นคารคิดของกูเพื่อตัวกูนี่แหละเอาสังการมาเป็นขาละหนักอันสุดท้ายก็คืวิญญาณที่มันรู้สึกทางตาทางหูทางจมกทางลิ้นทางกาทางใจเนี่ยมันเป็นนามธาตมตามธรรมชาติเั้นรู้สึกตามธรรมชาติระบบประสาทที่ธรรมชาติสร้างมาแล้วก็ยึดมันถือมั่นแอู้เป็นผู้รู้แจ้งทางตากูเป็นผู้รู้แจ้งทางหู ครูรู้แจทางแกหมูรู้แจ้งทางดิ้นทางกายทางใจรุีว่าธรรมชาติสร้างมาอย่างนั้นรู้สึกมันได้ตอนนี้สิ่งที่แบบรู้สึกเป็นระบบประสาทไงเปวนน้อยมันิดนก็มีมันมีแต่บนดูอูมันเป็นในเรื่องของในวิญญาณตามธรรมชาติตามธรรมดารู้สึกทางตาเห็นนันเห็นนี่ครูเห็นไม่รู้สึกประบบประสาทัรับสัมผัสามสากความรู้สึกอย่างนั้นแลรู้สึกกรจิตาครูเหมือนกันฟังเสียงครูได้ยินเสียงพ่รับไม่ไ่รอบแค่คูแกหมูเร้เห็นดิอะไรดไม่อะไร ผิว่ายก็ยาบรือนุ่นไก็ว่าถูกใจหไม่ถูกนะเราิเอาเป็นตนเป็นของตนมันทาให้เกิดการร้ายหยาบไปลงรักมันไปลงเกลียดันไปลงโกรธปันลงกลัวมันเป็นของหนักนะที่มันถูกใจทุนพอใจทนที่หมจะหายไปเสียไลูกจหายล่น้ามันหายจริงจริงก็น้ำตไหลเนี่ถึงที่ไม่ถูกใจก็กลัวมันจะมากลมันจะมาถึงข้าวไม่ถูกใจไม่ชอบมันถึงข้าวแบบรห้น้ำาไหล ดังนี้เขาจะบอกความยิดมั่นถือมันในขันทั้งห้าควรจะออกมาเสียจากความยิดมั่นถือมันเหล่านั้นทำให้ได้ทั้งหมดเขาเขาเห้ได้มากนะการปิมันจะมากได้ในพรรษาเราฝึกฝนเราเรียนเรื่องนี้แล้วก็ปฏิบัติเรื่องนี้นั่นมันควรจะได้ผลขออกพรรษาเก็เห็นได้พอทุกคนออกพรรษานี่มันเบากว่าเมื่อออกพรรษาที่ได้มาเพ้าะมันออกมาจากปุปาทาน่ความยิดมั่นถือมันได้มากกว่าอย่างนี้มันจะเรียกว่าเป็นผู้ออกพรรษาโดย ทำไมนหมอ่ะจินน้าพอใจผล อ, ออกเสจะได้จากสิ่งกี่มือไม่ควรจะอยู่ด้วยให้ออกเมาจะได้ทีนี้เขาจะพูดถึงมันละเอียดละเอียดไปอีกก็ไรออกมาจะจากอิทธิพลของสิ่งเป็นคู่การหลอกลวงของสิ่งที่เป็นคู่คู่เขาทิ้ประยากเนะี่ยเขมันตั้งต้นมาจากเกิดจากเขามันลาออกมาแล่วมันก็มีเขารู้สึกเป็นคู่ขึ้นมาพอใจไม่พอใจอินดีอินไร้ร้อยไม่ร้อ ย, ออยเป็นคู่คู่คู่คู่ในคู่ที่เลวร้ายมันก็มี มีมีมีมีมากขนดนีรู้สึกว่าเราได้เราเสียเราแพ้เราชนะเรามีผลกาไรเรามีการขาดทุนเราได้เปรียบเราเสียเปรียบที่เต่เกิดมาต้ับเที่ยกันเพรมันยึดถือเรื่องดีได้เรื่องเสียเรื่องได้เสียรื่องเสียเรื่องดีเรืนอ่วยเร่อจะใครจะผิดน้าจะไม่ให้่ยึดถอเรื่ดีช่วยบุญบาปสุทุกข์นั่นคบรรยาาไปแล้วดีช่วยบุญบาปสุดทุกข์นรกสวรรค์นี่ก็ตามเป็นคูู่ๆ มันเป็นคู่คืออย่างมันเป็นปัญหาแก่เราเลยเขานิ่มลึกเกินไปรุนรึกสักหน่อยที่คป็นธรรมดามันจะเข้าใจได้ในเมื่อได้รับคำบอกว่าเอ้ยเป็นคู่นี้ไม่ไว้น่ะไม่ว่าฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาไม่ดีไม่ไหวนั้นสู้ไม่ดีกว่าอยู่เนือเนื้อความเป็นคู่คู่ที่เราเป็นกันมากเป็นาดีใจกับเสียใจเอย่างนเป็นเป็นธรรมดาไงในเรื่อคู่ข้างหนึ่งดีใจข้างหนึ่งเสียใจเอย่เอาคมมันเลยทั้งคู่อย่าเอาคมันเลยอยู่เนื้อเสียไม่จำดีใจไม่จำเสียใจ เสียใจก็เหนื่อยดีใจก็เหนื่อยเสียใจก็นอนไม่หลับดีใจก็นอนไม่หลับเสียใจก็กินข้าวไม่อร่อยดีใจก็เปกินข้าวไม่อร่อยถ้ามันไม่ไม่ทั้งคู่นะเนื้อดีใจเเนเสียใจก็ถือปกติปกติว่างหรือสงบหรืออิสระมันมันสบาย้าไม่ันโกินไปนขอาใชหยาหน่อยนะทับกินไปน่ยคนจะังเก็นยนะไอ้เวลาที่เราสึกสบายสบายที่สุดอิสระที่สุดถ้ามีนมาเไร้เวลาังกดูมันจะดีใจมันจะเสียใจ ดีใจกันเนื้อเป็นเสียใจกันเนื้อเตนเมื่อมันไม่เต้นมันหยุดมันเย็นมันยอมมันสงบไปเลยไม่ดีใจไม่เสียใจมันสบายที่สุดหายใจสบายมันไม่ผิดปกติเวลาที่สบายคือเวลาที่ไม่เสียใจและไม่ดีใจแต่คนเรามันก็ชอบดีใจชอบดีใจแต่เหัวเราะดีใจก็ชอบใจทีนี้เดีมันถูกหลอกโดยของคู่มันถูกผูกพันไว้โดยของเป็นคู่คู่ย้ายมันผูกันได้ย้ายเป็นคู่ได้นี่ก็ออกไปเสียจ สิงที่า่างกายที่สุดไม่ห่าเราะไม่ร้องไห้หัวเราะก็เหนื่อยร้องห้ก็เหนื่อยมีหัวเราะมีร้องไห้มันก็เหนื่ยความดีมันยุ่งเป็นแบบความดีความชั่วมันก็ยุ่งไปแบบความชั่วไม่ดีไม่ชั่วนันมันไม่ยุ่งอะไรเลยแต่พูดอย่างนี้มันมันมันขับกันไปเขายึดถืออยู่ตรงไหนตรงดีดีดีดีดีันมันยังเด็กมากเลยยันก็นเด็กอยู่เป็ดีครับท่านก็ัดีแต่ว่าพิจดรณาดีว่ามันถูกพันหรือมันยุ่งคือมันมีภาระอะไร ไม่สบายหรอไม่สบายเลถ้าความดีไม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดยอดสุดของสิ่งที่ควรศาถนาใชพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องจัดเลงนิพพานเน่ยเนื่อดีเนือช่วหยุดเสพสิ่งที่ควงดียะช่วนะครกสวรรค์สมุนตานะครับยึดตัวเนี้ยสวรรค์ยุ่งไปตามแบบสวรรค์นะมันจริงอย่างที่เขาว่าก็ม่วไตามารมสวรรค์ไม่ได้คิดอะไรในสวรรค์ก็ไม่มีว่าอารามไม่มีอะไรมีเรื่องสวรรค์ไ่มานาารมนี่จะดีอะ มัยุ่งไปทาแบบนั้นก็กว่าดีๆีดีดีนรกไปยุ่งไปแบบนรกสวรรค์ไยุ่งสวรรค์นี่มันกสุดนะ ah ไม่ น, น ah รกไม่สวรรค์นี่แหละดีออกกษัตริยนรกเปสวรรค์ก็ดีถึงได้เ่เสียเรื่องแพ้เ่งชนะเรื่องได้เปรียบเป็นเสียเปรียบนี่มันไม่ชะมัน่น้นอนเป็นทุกข์ชนะก็ทุกข์จ้องเวรวันอยู่ว่าเมื่อไรเขาจะมาเล่นงานเราอีกเ่แพก็นอนหลับยากชนะก็นอนหลับยากมันเป็นความผุกพันอย่างนี้ได้เปรียบเป็นเสียเปรียบเรืตัวขนาดอง่ รู้สึก็ได้เปี่ยนมนาปกรู้สึกก็ซเปรี่ยนมัน้อยเนื้อดำใจพักหนึ่งเ น, นรู้จักของเป็นคู่คู่คูคูคูคู่คคมาทุกคู่เลยมันล้วนจะ่ผูกพันให้ลำบากมันยากนะเราออกเสีย จ, จากอิกทธิพลของสิ่งที่เป็นคู่ทุกคู่จะเป็นอย่างไรลองพิาจาเล็กๆมเด็กๆกติโตเนมาเป็นป่นนี่แล้วนะบากทรื่องของเป็นคู่เรา น, นี้ผีมากน้อยก็พาอด ง, งเห็นเลยจะออกเส้น จ, จากความหมายที่มันเป็นคู่คู่นี่มันจะได้อิสระจะได้สงบมันจะได้ เยือเย็นอย่าเป็นอะไรเป็นธาตุอย่าเป็ น, ปนาธาตุาของสิ่งที่เป็นคู่เลยไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจในั่นเลยมันสบายมันว่าอย่าพันสาล้างนี้บางคนจะได้มากกอากันได้มากกว่าพันสากรู้มันดีขึ้นดีขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ไหมายควาว่าดีแลาวมันยึดถือเพรมันเป็นทุกข์น้อยลงมันทุกข์น้อยลงความดีเป็นเหตุให้ดูหมินผู้อื่น ถารู้กับตัวดีมันก็เผลอไปดูมิ่ผู้อื่นย่อเป็นโขมผู้อื่นนี่ไปเร็วเอยก็ดีแล้วดียิมารีบบ้าดีลงดีไว้ชายสยามคนอื่นที่มันจะดีกึ้นมาบ้างก็เปิดความจ้าทิสยาเมันก็แอบฆ่ากันกันเพื่อให้มันดีเท่ากันไมให้มันดีทานกูนี่ทานในคัมภีใบเบิ่ของโกคิดมีเรื่องหนึ่งที่พี่มันหลอกน้องชายมันเข้าไปในป่าฆ่าเสียแต่าพ่อมันรับน้องมากแล้วไม่รับมันเป็นเป็นปีพี่มันเลยหลอกน้องไปฆ่าเส้นคิด มาดโรงพยมีมีมีเดอะไรอย่าไปล้กับสิ่งที่ดีกว่าดีมว่ามันจะดีกว่าชั่วแต่ไปล้มก็จะายเปชั่วเปทันงมันเป็นของหนัก้วยเหมือนกันความชั่วกันหนักเป็นแบบความดีเปหนักเป็นแบบไม่ดีไม่ชี่วนเบาว่างสบายออกมาจากชั่วก็กมาถึงดีออกมาจากดีออกมาถึงว่างนะคือในวันรไม่ร้องห้ไม่ดีใจไม่เจ็บใจิ่างๆเราที่เคยเป็นมาเคยร้องไห้เยมากมเคยหัวร้างทีอะไรดีใจเใจมาทรย่างไรไม่รอดรดกต้องา ทำเป็นปกติปกติปกติปกติตนี่ตัวคนีเป็นหลักเป็นกติปกติไม่ขึ้นไม่ลงไม่ฟูไม่แฟดไม่อะไรจำลองนั้นออกเป็นสานี่ก็ให้มันได้ออกมาเสียด้วยจากการถูมลวงด้วยของเป็นคู่คู่คู่คู่นั่ น, นปป เ, เป็นการบรรลุธรรมะลุกระดับและแต่ความในขั้นเรีก็คู่ไปในเรืนี้้มันสูงเปเดี๋ยวไปถึงนิพพานออกกันอาจจากของเป็นคู่มันจะนิพพานใ น, นโลกที่มีดีมีช่วหมดดีมาช่วกันโลกเหนือโลกนั่ทีนี้เป็นเลตป็นตเลเป็นตเกันที อย่าลุวมหลงในความเจริญทางวัตถุเพื่องทางวัตถุทางภายนอกเนี่ยมันดีร่มหลงกันมากเพราะว่าเขาผลิตได้ก้าวหน้ามากในทางวัตถุในเจริญในสะดวกสบายรู้แล้วก็หลงได้ลหลงในความสุขลหลงในเกียรติลหลงในที่ได้มีสิ่งเหล่านี้คนโบราณเนี่ยก็มีปัญหาอะไรมากเไม่ต้องการอะไรเากคนเดียวเนี่ยต้องการสารพัอย่างจนรบไปทั้งบ้านแล้วมันก็เลยต้องการไอ้วัตถุที่มีความสะดวกสบายนั่นอะไรอย่างสารพัดอย่าง คื่องใช้ไม่ใช่สิคประดิขึ้นมาเร่นี้มันก็นะครับสะดวกคัาบมันจะต้องมีทุนนี้ทุนใช้ต้องจะสบายด้องเครื่องไฟฟ้าไปทุกอย่างนี่ก็องหามงนมากให้มันเกินจาเป็นัก็งที่ไม่ต้องมีมันก็จะมีขึ้มาได้แมันก็ซึ่ง ด, ดมากชนเราไม่จนน้าแข็งก็ได้ไม่ตายแต่เราจำเปนน้ำแข็งอย่แเราไม่ต้องมีตู้เย็นไม่ต้องมีเครื่องซักผ้าไม่ต้องมีอะ้รก็แต่ก็ต้องมีคนก็จะมีจะมีมันให้ได้ เมืันจะแพงไม่ต้องมีทีวีมันจะนมีได้ทกอย่างนีกมากมายที่มันรออยู่รออยู่ที่ะมีได้เงินก็ไม่พาใช้มันลมนักหนักข้าวมันก็คดโงคดโกงจัดขดกก็ดได้ตินะ่มันั่นปัญหาลุยากลำบากที่สุดในเวลานี้ก็คือว่าเจ้าหน้าที่ภารัชการตำรวจและก็ตำมวจทีตเขาต้องหาเงินซื้อสิ่งเหล่านี้้อาหาทางอไม่ได้เขก็รีดใช้ที่ประชาชนดูดเหมือนมันได้ภาสีมาน้อยนะถ้าล้มในวัตถุดยบ ในวัตถุที่มันสนุกสนนสะดวกสบายเฉยๆต้องเรียนสราญแล้วก็ให้รู้ว่าวัตถุมันจะเจริญทางวัตถุกินมากเกินไปนั่นมันผิดแล้วถ้ามันพอดีพอดีก็ได้แต่ไม่ควาจะเริยนจนเกินพอดีแล้วมันเพิ่มกินไปอีกโด่ควาเกินพอได้ยินไปอีกนั่นแหละเป็นเป็นความโง่เช่นหนึ่งที่เป็นลงในเรื่องวัตถุดูจะคิดว่าวัตถุเป็นเลิศทั้งจิจใจและธรรรู้กัน ที่ จ, จเลวซ้ำตกต่ำอย่างไม่โรมันรู้ใจอ้วัตถุมันรู้ลดีบว่าใคขึ้นหน้าใไปหมดนี่เกล้มวัตถุขอให้ได้ออกมาเสียจากการลุล่มล้มในวัตถุเรื่องสวยงามมนขนา ด, ดนี้ก็่าสวยบ้างนนา ม, มันเอประมาณนั้นมันก็มีผลดีที่หลอกลวงเช่นเดียสิงความงามนั่นมันเป็นของหลอกลวงทำเป็นได้คนอะไรมัม้งก็เป็นผลที่หลอกลวงทำให้คิดซ้รแล้วไม่มรวย เราอยากจะพูดความลงในความางามเราเรียกพูดประกวดนางงานวัน น, นั้นหน้ า, น า, าด้านเลยเขาก็กดเขาดาเแล้วเราก็รู้สึกในมันจริงนนจริงถ้ามาด่าจะเปแข่งเปิกานี้กันก็ไม่ได้พอไปประกวดกนางงก็เต้มหมดเลยนี่ทำไมจ ะ, ะหน้านด้านเจะเียกับอะไรเพราะมันล้มลายในควา ม, ามงานล้มลายในทางวัตถุในด้านร่างกายเนื่อนนะั้นเราไม่ล้มลในวัตถุไม่ว่าโลกมันจะเจริญเลยวัตถุ น, นันเป็นการห ล, ลอกลวงของผู้ทำขายเจะผลิกขา ย, ท, ยทําทำมันยิ่งพิเศษยิ่งขึ้นไฟเขาจึงจะขายได้เราซื้อใหม่กันด้ยกันท่าแล้วด้วยใจคอดีพอดี ทีราฟืนตู้ดตู้ดงจนบ้าก็ไรทุจริตในครานี้ไปทีนี้มันอยู่ได้ทีนี้มันอยู่ได้ไม่ต้องมากกว่านั้นมันจะช่วยได้มันกังลงม้มในวัดถุถือตู้ดงกันให้ดีๆใได้ผเดี๋ยวนี้เรามานึกดูแล้วมันก็เรื่องตนกุฎีของพระพุทธเจ้าหรืรอพระอรหันต์นั่นะเสือสทับะหายากเไม่มีก้าอีนวมบุนันนั่งลงไลอย่างทีเด้อยู่น่ไม่มีอย่างนี้มันจะทางนกันจะไาวา่าขพระพุทธเจ้าอะไรเงีย เต่ไปไหนทีก็มีรถยนต์มีอะไรต่างทันั้นพรพุทธเจาไมเคยมี่งเหลนี้แต่ท่านไปอยู่ได้ย่างไปรับพุทจาได้ท่านสั่งสอนได้ท่งเราได้รับประโยชน์นะ่านเป็นอยู่อย่างต่าที่สุดในเรื่องวัตถุนะทีสูงสุดในเรื่องจิตใจยังไปจะถือหลักอย่างนั้นยัยงไปล้มในทามสูงทางวัตถุทำเท่าที่มำเป็นเ่ า, พอพอาที่ต้องเพราเสายเราอยู่ได้แต่ว่าให้มากให้สูงใหยิ่งในทางจิตใจมีจิตใจที่สูงมีจิตใจที่ยิ่งโดยสมาธิโดยนิพพานนาหรือร ให้ดูจ้งตามที่เป็นจริงนะมันลม้มไม่ได้มันลม้มไม่ได้แ ล, ล้วเป็นอยากจะพูดอีกสักนิก็คือว่าความเห็นผิดเราเข้าใจผิดล้มผิดติเห็นผิดเห็นฝับกันซื้อแล้วก็ล้มเป็นทางว่าอ่อนแอเป็นไสยศาสตร์อย่าล้มไสยศาสตร์ซึ่งมันเจืออยู่ในพุทธศาสตร์เรื่องเกี่ยพระพุทธรูปที่มีไสยศาสตร์มากเลยตึ้นอย่าไปล้มทิ้งเลยอย่าไปลงไสยศสาสตร์เป็นศาสตร์ของคนหลับมาเป็นาศาสตร์ของผู้ตื่นเนียว่าพุทธศาสตร์ ้าคนหลับคนกลาดเป็นอ่อนแอหวังจะปพึ่งผู้อื่นไม่ทำเองวงสรร์อ่อนวอนไปตามเรื่องความทุกข์ไม่ได้เกิดมาจากผีสางเทวดาหรือพระเจ้าก็ไปเกณฑ์ผีสางเทวดาพระเจ้ามาช่วยามันโง่ทำไรมันบ้าทำไรความทุกข์เป็นความเจ็บขากกระทมันไม่ได้มาจากพระเจ้าผีสางเทวดามาจากความไม่ถูกต้องความกดของาานเนั้นนั่นทีเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ารู้อย่างนี้ก็อย่าไปลงมในสในสยศาสตร์ในสยศาสตร์เราลงกันไปตามใจเขาแต่เราไม่ลงกันแล้วถ้าเราล้มเราก็ไม่เคยผู้บริษั เรียนมาาอะไรเป็นหนึอะไรน่ก็อยาไปลงใรนเรื่องไศาสตร์เหตุผลที่ถูกต้องเป็นอย่างไรความจริงเป็นอย่างไรทาให้มันถูกต้องตามนั้นก็เป็นคุณศาสตร์นรไม่รู้เมื่อี่กลาดเม่อทำไปตามความกลาดกนเป็นไสยศาสตร์หมดเนี่เอาความขี่กลาดทนเอาไปเสียส ไ, ไยสยศาสตร์เข้าทำงาไม่ได้ช่อยไมเสียจากการเขาทงานของไสยศาสตรเอาอีกหานาทีจากเวลาก็บอกถึงสุดท้ายสิงที่ล้มแล้วเลวยวได้สิ่งสุดคล้มตัวกู้ อ, อย่าล้มในตัวตอนอย่าล้มในตัวกู้ตัวกู้ไม่ได้มีอยู่จริงเป็นความคิดผิด เกิดขึ้นแล้วมันหลอกเนี่เห็นมันไม่ได้มีจริงเป็นจริงอ่ะคือกู่และเป็นวองหลงหลงนี่มันเกิดมาจากความรู้สึกพอใจในอะไรก็คูไม่พอใจในอะไรก็กูไม่พอใจอร่อยกูอร่อยไม่อร่อยกคูไม่อร่อยไี่เปของหลอกมันแฝงอยู่กับความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นถูกใจความรักเกิดมาคูรักนะไถูกใจความโรธเมาก็ูโกรดนั้นคูเนี่ยเป็นของจริงเมีอยู่จริงเกิดาจากความโง่ชั่วขณะขณะตามเรื่องรานั้นๆอยาหลงตัวกูแล้วเราเขาจะไม่หลงของกูถ นี่ออกมาจะได้จากไหนความโง่เกี่ยวกับตัวกูของกูเนี่ยหมดหมดลงหมดกันหเละหมดทุกหมดร้อนมีตัวกูเห็นแต่ตัวกูมันก็เกฏความโลภมาถูกัจเกิดความโลภไม่ถูกใจเกิดความโง่เพราะมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรฉันก็ลงไปหมดออกมาจากความล้มแห่งตัวกูตัวตนของตนตัวกูของกูแต่พมีตัวมีความโง่าของกูมันต้องมีความโง่กับของสูคือของเมื่อถ้ามันมีตัวกูมันไม่มีของมื่อไมมีตัวกูมันไม่จะมีไม่มีตัวมอมันมีไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูไม่มีของกูนี่เรียกว่ารู้ถึง คำสอนสูงสุดที่าสอนกันอยู่ในอินเดียในงุทการนูนก็สอนเังมีตัวคูตัวคูตัวคูดีดีดีเป็นตัวคู่ทีดีที่สุดจนเลย เ, เป็ดเนื้อคนเลยชาติปขึ้นสอนไม่มีตัวคู่สอนหนักทุกได้าก็ม่มีตัวคูแล้วไม่ใครสอนทีดีกว่านั้นใดสอนในเนื้อนั้นฝันนั้นไปนไม่ได้จบความรู้ชนุษเราควจะมีได้หมดตัวคู่หมดตัวคู่นไลเป็นว่าออกมาจากความสูกพันแห่งตัวคูมี่จบจบชีวิตที่จุดสร้างต่อสู้เวียน ขอพูดกับคนแก่ๆอายุมากหน่อยว่าจงขึ้นมาให้ถึงขั้นที่จะจบชีวิตโบหารโหาระแปลว่าการลงทุนเพื่อได้กาไรคำว่าโอหาระหรือโอหานะชีวิตโบหารเนี่ยชีวิตมันเป็นการลงทุนมาโดยธรรมชาติเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดถ้าเราไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดก็ตายเปลราไม่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดจะให้ก่อนจะตายเจ้าีวิตโบหารก็คือมตัวอู้มตัวอู้เยไม่มีอะไรเหลือที่จะเป็นัญหามมีความทุกข์จิตนี่เป็นอิสระตัวเองเราลำบากจิตนี่ต้องชแว่ตัวเองจตี่ S <S <an> จมันเจริญใน่ิชาความรู้มันเอาตัวปูออกไปเส้ยได้ก็จบที่ต่อสู้ดิ้นรนในเรื่องการฆ่ากันหนะ่อยก็ให้ได้จบในการฆ่าแห่งชีวิตเนี่ยเสียก่อนแต่ตตที่จะต่ยจะไม่เสียทีที่เกิดเาเป็นมนุษย์เพราะกระพุธศาสนาถ้ายัง้วยังโง่ยังลงอยู่มันมจบ้มันหมดมัน จ, จบใได้จบจบจ บ, จบเรื่อ ง, งของการท่องเที่ยวในวัดตะสมสารซึนะ่งเนการเทียวฆ่าสิ่งที่ดีที่สุดในวัดตะสสารเขาให้ได้พ บ, พบหมดตัวปูเยจบเขใทุกคนมีความก้าหน้าในขึ้นนะี่ ออกพรรษาออกพรรษาออกพรรษาออกไปออกไปออกไปออกไปออกไปออกไปออกไปจากสิ่งที่ไม่ควรจะมีไม่ควรจะอยู่ด้วยอย่างกุพันห์ฮะออกพัรษาของกูนั้นเจอที่สุดแพระพุทธองค์ทงสาประการฮะกรณีเรื่องออกพรรษาเราเป็นอย่างนี้อยายจะเพียงว่าจากบาตโว้ยแผ่พระโว้ยอย่างนี้มันไม่ไหวฮะก็ไม่ได้ออกไปจากสิ่งที่มันเป็นปัญหาเป็นบาทุกข์โดยนัยยะอย่างที่กล่าวมาการออกพรรษาผสมบูรณ์การภาวรณาผสมบูรณ์การออกพรรษาผสมบูรณ์ มันชื่นใจตัวเองกป็รคมือไวตเองได้เป็น้นอนน่เขาสาเร็จอย่างนี้ก็าได้อย่างนี้จะลูกมันจะลืบเป็นหอยด้วยจะสูงจากไปสดกจากหน่อยก็มันไม่เลือวิสัยก็มันมาแต่ความโง่ของเราทต่มันทำให้คิดแปเลื้อวิสัยทำให้ได้แล้วนะอยทงสบายที่ฝนีก็ไม่รู้จะพูดอะไรเมเป็นว่าเราได้ออกปัญหาเป็นการออกจากปัญหาสิ่งผูกพันทั้งปูนที่ทาให้เกิดความทุกข์ก็เป็นการออกปัญหาที่แท้จริงวารณาเป็นอย่างนี้ออกปัญหาเป็นอย่างนี้การปัญญานี้ก็สมควรเนเวลาแ่มรที่จะพูดห เขาจะไปกันยังไง